เพราะใครควรเป็นอย่างอื่นคาว่าผู้อื่นได้แก่ให้อุปสมบันพนธนาต้องอำบัดปราจิตตี